บทที่สิบสามณตำหนักตักศกิลาขาบวนเกวียนของอโศกและศรีคารินรอนแรมมาโดยลำดับจนลุทถึงสำนักตักศิลาเมืองมหาวิทยาลายัยสูนกลางแห่งการศึกษาของพระตาวัตสมาแต่บรรพา ก, การ มีนักศึกษาจากส่วนต่างๆของประเทศเดินทางมาเก็บเกี่ยววิชาการมากหลายณดินแดนแห่งนี้ถนนทุกสายในชมพูทวีปตัดตรงไปสู่สำนักตักาซิลาในสมัยพุทธกาลพารณสีเป็นบุ ญ, ญานครแห่งลัทธิศาสนาต่างๆแม่น้ำคงคาตอนที่ผ่านเมืองพารณสีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด มีท่าอาบน้ำำํำชาระบาปยาวเหยียดสุดสายตากล่าวโดยเฉพาะศาสนิกแห่งศาสนาพราหมณ์ถือพารณสีเป็นศูนย์กลางเป็นบุญยนครแห่งตนสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลเป็นบุญยนครแห่งศาสนิกของผู้นับถือพระพุทธศาสนาพระตถาคตเจ้าศาสดาแห่งศาสนานั้นประทับอยู่นานที่สุด ทรงถืออาสาวัตถีเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พระพุทธทวาทพุทธศาสนิกทั่วพื้นชมพูทวีปลังไหลเข้าสู่สาวัตถีเพื่อเฝ้าพระตถาคตและสะดับพระธรรมเทศนาสาวัตถีจึงกลายเป็นบุญญนครแห่งพุทธศาสนิกอบอวลไปด้วยกลิ่นทูกควันเทียนและแสงธรรม พาลานาสีและสาวัตถีเป็นนครแห่งผู้สแสวงบุญชั้นใดตกศิลาราชธานีแห่งแคว้นคันธาระก็ฉันนั้นเป็นนครแห่งผู้สแสวงหาวิชาคลาคร่ำไปด้วยนักศึกษาจากจตุรทิศตกศิลาประหนึ่งสระใหญ่ที่มีบัวคือศิลปะวิทยาบานสปรัง่งมีเกสรหอมหวนจึงสามารถดึงดูดเอาหมู่พอมรคือนักศึกษา ให้หลั่งไหลามาไม่ขาดสายส่วนมากเป็นนักศึกษาจากวันนักสัต์และวันนับพราหมณ์วันนักสัตว์มาศึกษากันมากที่สุดแม้จะมีอาจารย์ที่สาปาโมกอยู่ที่เมืองของตนแล้วกัตริย์แตโบราณก็นิยมสมพระโอรสไปสู่สำนักตั ก, กศิลาทั้งนี้ด้วยจุดประสมสามประการคือ 1. พระราชโอรส จะกำจัดขติยะมานะเสียได้ 2. เพื่อให้พระราชาโอรสคุ้นกับความลำบากทนต่อความหนาวร้อนหิวกระหาย 3. เพื่อพระราชโอรสจะได้ความรอบรู้จารีดประเพณีที่โลกเขาประพฤติกันนักศึกษามีอยู่สองประเภทคือประเภทที่ต้องเสียค่าเล่าเรียน นักศึกษาประเภทนี้ไม่ต้องทำงานให้อาจารย์มีหน้าที่เรียนอย่างเดียวเรียนทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนนักศึกษาอีกประเภทหนึ่งไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแต่ต้องทำงานให้อาจารย์แทนการเสียค่าเล่าเรียนมีโอกาสเรียนเฉพาะกลางคืนเท่านั้นกลางวันต้องทำงานส่วนใหญ่นักศึกษาประเภทหลังนี้เป็นคนรักการศึกษาแต่ค่อนข้างยากจนแต่ ก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่เป็นคนมั่งมีและบางทีก็ถึงโอรสของกษัตริย์มหาศาลแต่มาศึกษาแบบไม่เสียค่าเล่าเรียนทั้งนี้ด้วยประสงค์เพื่อกำจัดขติยะมานะให้ทนต่อความลำบากและมีโอกาสใกล้ชิดอาจารย์มีการนวดเฟ้นให้เมื่อท่านเมื่อยขบเป็นต้น อโศกและศรีครินเข้าเป็นนักศึกษาประเภทไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนทั้งสองมีความพอใจในวิธีนี้เพราะรู้สึกสนุกดีมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดอาจารย์มากวิชาที่ศึกษากันอยู่ในสมัยนั้นคือศิลปศาสตร์18ประการคือ 1. สุติความรู้รอบตัว 2. ส, สัมมติความเข้าใจระเบียบ 3. สังคยาวิชาคำนวณสี่โยคะหรือยันตระศึกษาการใช้เครื่องยนต์กลไกห้านิตินิติศาสตร์กฎหมายหกวิเศษสิกาพานิชยศาสตร์เจ็ดคันทัพพาวิชาฟ้อนรำขับร้องแปดคณิกาวิชากายบริหาร เก้าธนุเพทาวิชายิงธนูสิบปุรนาวิชาโบราณคดีสิบเอ็ดติกิจชาวิชาแพทย์สิบสองอติหาสาวิชากาบสิบสามโชติดาราศาสตร์สิบสี่ 14. มายาตำราพิจัยสมครามสิบห้า เหตุเหตุศาสตร์วิชาหาเหตุผลเทียบตกะวิทยาในปัจจุบันผู้เขียนสิบหกเกตุวิชาพูดสิบเจ็ดมันตาวิชามนสิบแปดศรัทธาไวยากรณ์การใช้ภาษา มาถึงสมัยพุทธกาลได้เพิ่มวิชาพุทธวจนะเข้าด้วยหมายความว่านักศึกษาต้องเรียนวิชาทางศาสนาด้วยไม่ใช่เรียนแต่วิชาการทางโลกอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีการศึกษาตรายเพศของพราหมณ์อีกด้วยทั้งนี้เพื่อการศึกษาอันสมบูรณ์เมื่ออโศกและศีครินเข้าฝากตัวเป็นศิษย์นั้นอาจารย์สิงหาเทวะ ได้ให้โอวาดเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอันสมบูรณ์ท่านกล่าวว่าเรายินดีที่เธอทั้งสองตั้งใจมาศึกษาแต่ขอให้ตั้งใจศึกษาให้สมบูรณ์เมื่อศึกษาสําเร็จแล้วจะได้เป็นคนมีการศึกษาสมบูรณ์ไม่ใช่ศึกษาเพียงครึ่งครึ่งกลางกลางหรือศึกษาอย่างบกพร่องคําว่าการศึกษาสมบูรณ์นั้น เราไม่ได้หมายถึงการศึกษาสูงอย่างเดียวแต่หมายถึงความรู้และความประพฤติดีต้องควบคู่กันไปคนที่มีความรู้ดีความรู้สูงแต่ขาดความประพฤติดีก็เหมือนไม้ที่สูงแต่หาใบไม่ได้ไม่ร่มเย็นให้ความสุขแก่ใครไม่ได้ส่วนผู้ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดความรู้ ก็เหมือนไม้ที่มีใบามากแต่ต้นเล็กเกินไปเตี้ยเกินไปพอคุ้มครองรักษาตัวได้แต่เป็นที่พึ่งอาศัยของใครไม่ได้เช่นเดียวกันอาจารย์สิงหาเทวะได้อ้างถึงพระพุทธดารดประกอบโอวาทของท่านในตอนนี้ว่าพระโคตมะพุทธาศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาได้เคยมีพระดำรัดอันจับใจว่า ภูเขาศิลาตั้งตระงานอยู่ในป่าใหญ่เป็นที่อาศัยงอกงามแห่งหมู่ไม้มวลพรึกษาได้อาศัยภูเขาใหญ่นั้นย่อมเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นเจ้าพรายชั้นใดในทํานองเดียวกันญาติมิตรมารดาปิดาบริวารชนคนใช้เป็นต้นได้อาศัยกุลบุตรผู้มีศรัทธาเชื่อก ร, รมและผลของก ร, รม มีศีลดีมีทำงามแล้วจเจริญรอยตามย่อมเป็นผู้จเจริญด้วยศีลและปัญญากุลบุตรผู้มีศรัทธาศีลและปัญญาดังกล่าวนั้นเปรียบประดุจภูเขาใหญ่เป็นที่อาศัยแห่งโมู่ไม้ดังนี้เพราะฉะนั้นต้องทำตนให้เป็นเสมือนไม้ที่มีลำต้นสูงใหญ่ใบหนาสับกร่งด้วยดอกผล เมื่อเป็นดังนี้นอกจากมีความร่อนเียนในตัวเองแล้วยังจะเป็นที่พึ่งให้ความร่มเย็นแก่ผู้อื่นได้ด้วยบุคคลจะเป็นดังนั้นได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาอันสมบูรณ์คือต้องศึกษาในทางคดีโลกและคดีธรรมการศึกษาทางคดีโลกเพื่อตั้งตัวไว้ในทางโลกสแสวงหาทรย์โดยทางชอบธรรมมาเลี้ยงชีวิต ส่วนการศึกษาทางคดีธรรมนั้นเพื่อตั้งตัวได้ในทางศิลธรรมเพื่อแสวงหาทรัพย์ภายในคือทำมาหล่อเลี้ยงจิตใจทั้งสองอย่างนี้จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้การที่คนบางคนอาศัยความพยายามในทางโลกปีนป่ายขึ้นสู่ฐานะอันสูงสักมีอำนาจปกครองคนทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เขาใช้อำนาจนั้นไปในทางเบียดเบียนผู้อื่น ทำความเดือดร้อนแก่ประชาชนกดขี่ข่มเหงประชาชนช่อโกงประชาชนสแสวงหารายได้และความสุขสำราญโดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมใดๆกอบโกยผลประโยชน์อันพึงเป็นของประชาชนมาเป็นของตัวนั้นก็เพราะการศึกษาอันไม่สมบูรณ์แต่หลงเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ฉลาดล้นเป็นปัญญาชนที่ใครๆ ไม่พึงท้วงติงการกระทําของเขาเขาดูถูกประชาชนว่างโง่เง่ารู้เท่าไม่ทันเขาเขาจึงพยายามใช้อำนาจเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วอาจารย์สิงหเทวะได้อ้างพระนามพระโคดพระพุทธะซ้ำอีกว่าพระโคตมะพุทธะศาสดาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งที่พระตะวัดเราควรจะภูมิใจ พระองค์ได้ตรัสถึงการศึกษาอันสมบูรณ์ไว้ว่าคนมีการศึกษาด้านเดียวเหมือนคนมีในตาข้างเดียวคนมีการศึกษาสองด้านเหมือนคนมีตาดีทั้งสองข้างคือมีทั้งความรอบรู้ในคดีโลกและคดีธรรมส่วนคนที่ปราศจากการศึกษาทั้งสองด้านก็เหมือนคนที่ตาบอดทั้งสองข้าง เหมือนควายตาบอดเที่ยวไปในป่าซึ่งเต็มไปด้วยเรียวน้ำมีแต่อันตรายอยู่เบื้องหน้านอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงแสดงถึงการศึกษาอันเป็นอันตรายอย่างยิ่งคือการศึกษาเพื่อยกตนข่มผู้อื่นศึกษาเพื่อทนงตนว่าได้รับการศึกษาแล้วไม่นาพาต่อความประพฤติที่ถูกที่ควรการศึกษาอย่างนี้มีแต่จะทำให้ผู้ศึกษาเลวลง การศึกษาหรือความรู้นั่นเองกลับกลายเป็นหอกเป็นดาบมาทิ้มแทงฟาดฟันบุคคลนั้นหรือมนุษย์ผู้โง่เขลาเดินเข้าป่าเพื่อหางูเมื่อพบงูแล้วเขาจับงูนั่นที่หางงูจะเอี้ยวตัวมาฉกบุรุษนั้นให้ถึงตายหรือมีอาการปางตายพระองค์จึงทรงเตือนไม่ให้นักศึกษาเหมือนจับงูทางหาง แต่ให้ศึกษาเพื่อนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นต่อจากนั้นอาจารย์สิงหะเทวะได้แนะแนวการศึกษาเป็นเบื้องต้นว่าเพื่อผลสำเร็จแห่งการศึกษานักศึกษาจะต้องมีความเพียรพยายามสม่ำเสมอทำความเพียรไปเรื่อยๆ อย่าหักโหมและอย่าเกียจคร้านการหักโหมเกินไปเป็นทางแห่งความล่มจมความเกียจคร้านเป็นทางแห่งความล้มเหลวเพราะฉะนั้นต้องพยายามประครับประคองความเพียรไว้เป็นไปสม่ำเสมอประดุดนักดนตรีผู้ฉลาดเมื่อจะดีดพินย่อมขึงสายพินให้พอดีไม่ให้สายพินหย่อนเกินไปหรือตึงเกินถ้าหย่อนเกินเสียงจะไม่ดัง ตึงเกินสายพินจะขาดเมื่อขึงสายพอดีแล้วอาศัยศิลปะแห่งการดีดย่อมทำให้การประสานเสียงเป็นไปสม่ำเสมอเกิดความไพเราะ จ, จับใจอโศกและศีครินรับคำของอาจารย์ด้วยความเคารพตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำของอาจารย์อย่างเคร่งครัดจะพยายามทำตนให้เป็นผู้มีการศึกษาที่สมบูรณ์ อโศกและศรีครินได้เลือกศึกษาวิชาอันเป็นประโยชน์แก่การปกครองบ้านเมืองคือนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์หรือตำราพิชัยสงครามรวมทั้งวิชาอื่นๆอีกมากมายซึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการครองชีวิตณสำนักตกากศิลานี่เองอโศกได้รับบทเรียนและได้เห็นตัวอย่างเรื่องราวซึ่งเป็นเชื้อ ให้ความช่างคิดของเขาโพร่งไยสารมากขึ้นเช่นวันหนึ่งอาจารย์ได้เรียกสิทธิ์ทั้งสองคนเข้ามาหาอาโศกจำได้ว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความประพฤติดีมักเกรงใจผู้อื่นและเรียนดีอีกด้วยจนเป็นที่รักของอาจารย์มีคนเข้ามาเชิญไปสวดมงคลคาถาที่หมู่บ้านพรามอยู่ทางด้านใต้จากที่นี่ แล้วท่านอาจารย์ก็ออกชื่อหมู่บ้านและชื่อพรามผู้มาเชิญเด็กหนุ่มทั้งสองยังคงนั่งฟังว่าท่านจะพูดอะไรต่อไปเขามาเชิญไว้หลายวันแล้วอาจารย์พูดต่อและรับเขาไว้ด้วยว่าจะไปแต่ฝนมันตกทั้งคืนเมื่อคืนนี้เธอก็เห็นน้ำเจิงนองเต็มซอกทางไปหมดเราก็แก่มากแล้วไปลำบากอยากให้เธอทั้งสองไปแทนเรา ได้ครับท่านอาจารย์สิทธิ์ทั้งสองรับถ้าอย่างนั้นเธอเตรียมตัวไปเลยอาจารย์พูดสิทธิ์ทั้งสองไปสู่บ้านพราหม์และสวดมงคลคาถาได้คล่องแคล่วตามที่เคยฝึกฝนมาเสร็จแล้วเจ้าภาพได้จัดเลี้ยงอาหารมีข้าวปลายาดเป็นต้นในขณะรับประทานอาหารนั่นเองเรื่องก็เกิดขึ้นคือนักศึกษาทั้งสองคนตักข้าวปลายาดใส่ปาก เข้าใจว่าเย็ยนแล้วหรือเป็นเพราะหิวจัดก็ไม่ทราบได้แต่ความจริงข้าวปลายาดยังร้อนอยู่มากมันเข้าไปกระทบลิ้นกระทบลำคอก่อให้เกิดความเจ็บปวดเหมือนเกลื่อนก้อนเหล็กเข้าไปเขาไม่อาจดำรงสติไว้ได้จึงมองดูเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วร้องขึ้นว่าคลุคลุอีกฝ่ายหนึ่งตกใจเหมือนกันลืมตัวตอบไปว่านิคละ นิคละพรามเจ้าของงานตกใจมากเพราะภาษาที่สิทธิ์ของอาจารย์ที่สาปาโมกปล่อยออกมานั้นเป็นภาษาจันทานจึงจับได้ว่าเป็นจันทานปลอมเป็นพรา ม, มาจึงถูกขับไล่สายส่งออกไปเรื่องไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นความเรื่องนี้ทราบถึงอาจารย์อาจารย์เสียใจมากเพราะเป็นสิทธิที่ท่านรักเหลือเกินแต่เรื่องมีอันเป็นไปเช่นนี้ ถ้าท่านคงให้อยู่ในสำนักต่อไปก็จะเป็นที่รังเกียจของสิทธิ์อื่นๆจึงได้ขอให้สิทธิ์ทั้งสองคนออกไปเสียท่านจำเป็นต้องทำทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่อยากทำทั้งสองร้องไห้ด้วยความเสียใจโอกาสที่เขาจะได้รับการศึกษาเป็นอันสิ้นสุดลงเขาขอโทษอาจารย์ครั้งแล้วครั้งเล่าอาจารย์ก็แสดงความเห็นใจเขาแต่ขอร้องให้เขาเห็นแก่ส่วนรวม และเห็นแก่ความจำเป็นที่อาจารย์จะต้องขอร้องให้เขาออกไปในที่สุดเขาก็จากไปด้วยความอาลัยรักในอาจารย์และเสียดายวิชาอย่างสุดซึง้งเรื่องนี้สะเทือนใจอาโศกมากเขาสงสารเด็กหนุ่มทั้งสองแต่ช่วยอะไรไม่ได้เขาเกิดมาเป็นจันทาน เป็นวันนัดที่เสมือนถูกสาปจากสังคมไม่มีโอกาสที่จะยกมาตรฐานความเป็นอยู่เดิมของตนให้สูงขึ้นได้ความเป็นอยู่แร้นแค้นอาหารเลวไม่มีการศึกษาหรือมีก็น้อยเหลือเกินเป็นความอายุติธรรมเป็นความโหดร้ายของบุคคลบางกลุ่มที่เห็นแก่ตัวหวงอำนาจจึงพยายามขังประชาชนไว้ในความมืด เพื่อเขาจะได้แสวงหาความสุขอันเกิดจากความเห็นแก่ตัวไปอย่างยืดเยื้อในภรตะประเทศคนจนทานและคนยากจนมีชีวิตอยู่อย่างไรในหลายๆประเทศนอกจากภารตะก็มีชีวิตอยู่อย่างนั้นคนยากจนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นอาหารเลวสุขภาพเสื่อมโทรมการศึกษาต่ำต้อยที่อยู่อาศัยอย่าพูดถึงว่า จะมีเครื่องประดับประดาด้วยเครื่องเรือนที่เปลี่ยนใหม่อยู่เสมอเลยแม้เพียงหลังคาและฝาพอคุ้มแดดคุ้มฝนก็ไม่อาจจะมีได้อย่างสมบูรณ์เครื่องประดับบ้านของคนมั่งมีบางชิ้นมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของคนยากจนทั้งครอบครัวอาหารการกินมีเพียงข้าวสักถ้วยปลาเค็มสักตัวเขาก็ยังพอชีพไปได้มื้อหนึ่ง เขาไม่อยากบริโภคอาหารดีหรือเขาไม่มีความรู้สึกอร่อยเมื่อได้รับประทานของมีรสเลิศหรือหาไม่ได้เลยความยากจนความไม่มีทาให้ต้องอยู่ในภาวะจำยอมยอมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่กำลังกายและกำลังใจของเขาจะพอทนได้อาหารที่คนมั่งมีบริโภคอย่างเพลิดเพลิน เลี้ยงกันอย่างไม่ต้องเหลียวดูภาวะแวดล้อมเพียงมือเดียวมันมีราคามากเสียกว่าให้คนยากจนบริโภคทั้งเดือนหรือสองเดือนคนยากจนซึ่งซอกแซกอยู่ในมุมต่างๆของประเทศของโลกมีความเป็นอยู่ดังกล่าวนี้ต้องทำงานหนะักอาหารไม่พออาหารขาดคุณภาพเมื่อเป็นดังนี้ลองคิดดูเถิดว่า สุขภาพของเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ยาเพียงเลวๆหรือบางทีก็ไม่ได้เลยโอกาสในการศึกษามีน้อยเหลือเกินเงินตราทุนเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการศึกษาเมื่อเขาขาดสิ่งนี้เสียแล้วแม้จะมีสมองดีสติปัญญาเฉียบแหลมเพียงใดก็ไม่อาจจะกระทำอะไรได้ สเสมือนเพชรมณีที่ฝังอยู่ในตมนอกจากนี้สายตาของสังคมที่เข้าใจว่าตนอยู่ในชั้นสูงได้พากันมองเขาอย่างเยียดเยียดเยียดจะยิ่งกว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านของเขาเสียอีกเล่ามันเป็นสเสมือนน้ำแหลมที่พุ่งเข้าเสียบแทงจิตใจของคนยากจนให้ปวดร้าวสุดจับประมาณได้คนยากจนมีเลือดเนื้อมีความรู้สึก มีความกลัวภยัยมีสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์เช่นเดียวกับคนมั่งมีในเนื้อแท้ของคนไม่มีอะไรแตกต่างกันจะต่างกันก็เพียงเปลือกนอกเท่านั้นทำไมคนบางคนจึงข้ามความจริงเรื่องนี้ไปเสียแล้วมาตั้งหน้าตั้งตารังเกียจเดียดฉันกันว่านั่นเป็นเจ้านายนี่เป็นไพร่เป็นบ่าว แม้จะมีศาสนาอยู่หลายศาสนาเหมือนกันในโลกที่พยายามวางหลักคำสอนให้มนุษย์กระทรบเปลือกออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทรบได้ให้มนุษย์มีจุดนัดพบกันที่ศิลธรรมให้ถือศิลธรรมเป็นมาตรการวัดความสูงความต่ำของมนุษย์แต่มีบุคคลอยู่ไม่น้อยพา ก, กันเพิกเฉยต่อคำสอนอนานานันนั่นเสีย และดูเหมือนจะมีทัศนะในทางเหยียดเหยียดด้วยซ้ำไปความลหลงไหลมัวเมาในเรื่องวัตถุมีมากเกินไปจนเขาลืมความสำคัญทางด้านจิตใจเสียเกือบจะสิ้นเชิงปล่อยให้ตนมีความสำเริงสำราญทางด้านวัตถุจูงไปจูงไปจนไม่ทราบว่าได้เดินทางไปถึงไหนแล้วเป็นการแน่นอนทีเดียว คนที่ให้ความสำคัญแก่วัตถุมากกว่าจิตใจนั้นถ้ามีโอกาสที่จะคดโกงได้เขาจะต้องคดโกงเขายังเชื่อต่อไปว่าคนมีโอกาสจะคดโกงแต่ไม่คดโกงนั้นเป็นคนโง่เมื่อได้ปล่อยตนให้วัตถุนิยมชักพาไปคลุกคล้ากับความสุขอันจะต้องอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นหรือไม่ก็ตามนานเข้ามันยิ่งชักพา ให้เขากระหายยิ่งขึ้นเขาหาจุดหมายปลายทางของชีวิตไม่พบไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ใดเหมือนบุคคลหลงเข้าป่าลึกหาทางออกไม่ได้เขายิ่งดื่มดำในโลกียารมมากเท่าใดความกระหายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเหมือนการดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายแม้จะมีคำสอนซึ่งได้รับถ่ายทอดกันมาเป็นชั้นๆว่า ผู้ดีคือผู้ที่มีความประพฤติดีและอาชีพสุจริตเป็นอาชีพที่มีเกียรติก็ตามแต่มนุษย์ก็ได้ทำใจให้ตรงต่อคำสอนเหล่านั้นแล้วเพียงใดสังคมได้มองผู้อดทนอยู่ในสุจริตแต่ยากจนด้วยสายตาแห่งการให้เกียรติพอสมควรแล้วหรือตราบใดที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตการกระทา ผลของการกระทารวมทั้งคุณค่าของคนในแง่ที่ถูกต้องแต่กลับมองผลที่ฉาบฉวยแล้วนำมาตัดสินคุณค่าของคนให้เกียรติคนทุจริตคิดไม่ชอบแล้วรับนั้นสังคมมนุษย์ก็จะต้องตกอยู่ในภาวะพิการอยู่ร่ำไป